วันนี้พกกรุงเทพมาคณะสุดท้ายนี้เขาพูดเป็นภาษาจีนขอลาบกับเราครูทีดด่รับฟังก็เลยพูดเป็นภาษาไทยออกมา ก็เลยได้อธิบายถึงเรื่องราบให้ฟังเราถือพระพุทธศาสนาเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าแท้ทำแท้ศาสนาแท้พุทธบริษัทจึงควรจะเป็นพุทธบริษัทแท้ไม่มควรจะหา บุนดาเขตหาความเป็นสิริมงคลหาลาบนอกจากสิ่งที่เป็นสิริมงคลที่เลยหรือนอกไปจากตัวของเราพระพุทธเจ้าท่านกลัดไว้ว่าจิจโฉมนุษ์ปฏิลาโภคลาบที่ พึงหวังนั้นคือความเป็นมนุษย์มนุษย์พูดได้ปรากฏตัวขึ้นมาจึงจัดว่าเป็นผู้มีรางตามหลักธรรมท่านสอนว่าอย่างนี้สัตว์ทั่วโลกถ้าหากว่าพูดได้มีความรู้สึกพอที่จะนึก ดีนึกชั่วได้บ้างแล้วต้องมีความปรารถนาเป็นมนุษย์กันทั้งนั้นก็นี่เราเป็นมนุษย์แล้วเราจะทปหาราบที่ไหนอีกให้ยิ่งกว่าราบแความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นบาดฐานอันสำคัญในการที่จะได้ลาบอันประเสริฐ นับแต่ความดีทั้งหลายจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานอันเป็นลาภอันสูงสุดในใจพกที่พระพุทธเจ้าทรงสรรเสรินลาภนอกนั้นมันไม่ได้มีร า, ราคาสูงยิ่งกว่าความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์นี้เป็นนากฐานสำคัญอั น, นึน ที่เรียกว่าลาบในเบื้องตน้นลาบในอันดับต่อไปเราก็นำความเป็นมนุษย์อายววัยนทุกส่วนแห่งความเป็นมนุษย์นี้ออกไปใช้เพื่อผลประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมให้ปรากฏผลขึ้นมาจากการกระทําการดำเนินของเราก็ชื่อว่าเราได้ลาบเป็นลำดับลาดับไป พระพุทธเจ้าท่านทรงเสียสละจากลาบทั้งหลายเพราะความเห็นรมอันประเสรินั้นว่าเป็นลาบอันประสเสริญเมื่อโลกทั้งหลายพระสงฆ์สาวกทั้งเป็นเศรษฐีกุดุมพีทั้งเป็นพ่อข้ามหากษัตริย์ประชาชนยังต้องเสียสละกลาบเหล่านั้นเพื่อลาบอันประเสริฐ ได้แก่คุณงามความดีทั้งหลายเป็นลําดับขึ้นไปวันนี้เราทั้งหลายมาเพื่อคุณงามความดีมาบําเพ็ญคุณงามความดีคือบุญคือกุศลซึ่งเป็นราบั น, นําคัญที่ถูกต้องตามหลักาศาสนธรรมท่านประกาศสอนไว้เราจึงไม่ควรจะไปคิดถึงเรื่องราบนองหนอดมันเป็นการตะกรุบเงานอกจากตัวของเราไปซึ่งเป็นการผิดพลาดมาก ้ได้สอนอย่างนี้วันนี้ตามหลักธรรมก็ เ, เป็นอย่างนั้นแล้วถือหลักความเป็นมนุษย์นี้พยายามบำารุงส่งเสริมความดีให้เกิดขึ้นภายในใจของตนจิตเป็นนายกายเป็นเบากายจะ กระิกทพย์แพงหรือเคลื่อนไหวไปในทางใดดีชั่วประการต่างๆย่อมขึ้ื่นจับอยู่กับจิตเป็นผู้บงการเพราะฉะนั้นจิตใจจึงควรได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีมีความฉเฉลียวฉลาดในการจะประคองตนให้เป็นไปเพื่อความถูกต้องดีงานและหน้าที่การงานอันจะพึงเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวม เช่นเดียวกับโชเฟอร์ที่ขับรถผู้ที่จะขับรถไปด้วยความแคล้วคลาดปลอดภัยเสมอไปนั้นต้องเป็นผู้ฉลาดในการขับรู้เวลาสถานที่ควรรอสถานที่ควรเร่งสถานที่ควรหยุดควรแม้ควันจบนจอดยควันยับยัง้งหรือควนเร่งประการใด ต้องขึ้นอยู่กับผู้ขับรถซึ่งเป็นผู้ชนะแล้วจะไปถึงจุดที่หมายได้โดยไม่มีอันตรายใดๆใจเมื่อได้รับการอบรมในทางที่ถูกที่ดีแล้วก็ย่อมนำกายวาจาคือความประพฤติต่างๆให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องดีางานตั้งแต่ต้นจนอวสานเรียกว่าพล ม, มือดีถ้าเป็นคารวะก็เรียกว่าพล ม, มือดีหรือ สุภาพชนและการยาณะชนเราอาศัยร่างกายอันนี้แหละเป็นเครื่องมือสำหรับทำประโยชน์จะได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือเป็นที่ทำอันนี้จึงจัดว่าเป็นลาภอันประเสริฐ ตามหลักที่ท่านว่าอิตโถมนุสสปติลาโภคจิตแข้งสัตวธรรมสาวนังการฟังธรรมเป็นของยากทำไมถึงยากยากที่ใจไม่พอใจจะอยากฟังไม่สนใจ ที่จะบังคับให้ฟังอัดฟังทมซึ่งแสดงไปตามเหตุตามผลในหลักความจริงอันถูกต้องในงานจิตมันมักฝืนเพราะจิตไม่ชอบไปตามทางที่ราบรื่ ด, ดีงามที่หลักธรรมท่านสั่งสอนไว้แต่ชอบจะเข้าป่ากเข้าพงเข้าเหยียบฝักเหยียบนหนามถลอกปอกเปิกไปอย่างนั้นตามมิสัยของกิเลสที่ถูดลากจิไป เพราะฉะนั้นโลกเราจึงมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนเพราะไม่เดินตามทางที่ท่านให้เดินโยนเข้ามาถึงตัวของเราเราก็ต้องดูเข็มทิศคือจิตใจของเราว่าจะชี้ไปในทางใดมากการชี้ไปในทางใดมากนั้นทางนั้นเป็นการถูกต้องดีงามหรือไม่เราต้องใไขครวญพิจารณาด้วยสติปัญญาโดยอาศัยหลักธรรมเป็นเครื่องือหรือเป็นเครื่องพาเดิน เป็นทางเดิมเราสามารถที่จะหักห้ามตัวของเราบังคับตัวของเราได้หรือเร่งตัวของเราได้ในกิตที่ถูกที่ควนมนุษย์เราบังคับตนเองไม่ได้เราจะบังประโยชน์จากอันใดในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะเหนืออํานาจของมนุษย์ซึ่งอยู่ในวิสัยของมนุษย์จะบังคับจะทำมาได้ ตัวเราเองเราไม่สามารถที่จะบังคับตนได้แล้วเราจะไปหวังประโยชน์หรือหวังซื่อมงคลจากสิ่งใดเพราะสิ่งนั้นย่อมจะเป็นมงคลแก่ผู้มีมงคลแก่ตนอยู่แล้วเท่านั้นจึงจะสามารถนําสิ่งนั้นๆให้มาเป็นเครื่องเสริมความสิริมงคลของตนได้โดยถูกต้องหรือราบหรืออื่นดีนาด้วยเหตุนี้แหละการบังคับการฝึกฝนการอบรมการทรมานตนหนักบ้างเบาบ้าง การฝื้นตนในสิ่งที่ไม่ดีจึงเป็นกิจหรือเป็นหน้าที่ของเราผู้ต้องการความสุขความจเจริญจะต้องทาด้วยกันความยากความลาบากนั้นมีอยู่กับหน้าที่ทางการงา น, งานทุกประเภทเป็นแต่เพียงว่าความจดจอ่อหรือความสนใจของจิตว่ายากหรือง่ายนั้นมีมากน้อยเพียงไรเท่านั้นกับ กิจการงาน น, นั้นๆถ้าจิตมีความสมัครรักชอบในงานนั้นก็เหมือนว่างานนั้นไม่หนักไมนะ่นาความจริงมันก็หนักเช่นเดียวกันแต่ที่เหมือนไม่หนักก็เพราะกิตพอใจอา้าวเรายกตัวอย่างทองทั้งแท่งมีน้ําหนัก ส2บสองกิโลกับไม้ท่อนหนึ่งหนักสิบกิโลแล้วใครอยากจะยกวัตถุใดตามธรรมดาก็ต้องโดดใส่ทองทั้งแท่งที่มีน้ำหนักสิบสองกิโลนั่นแหละ ไม้นี้แม้จะก็ไม้ก็ดีทองทั้งแท่งก็ดีแม้จะประกาศน้ำหนักให้ทราบแล้วกว็าตามคือไม้นี้ให้เอาไปทำสิ่งนั้นสิ่งนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างนั้นอย่างนั้นนแต่ทองนั้นจะเอาไปทำอะไรก็ทราบกันอยู่แล้วสรนชาตยานของมนุษย์เราจะต้องฝังลงในทองแ้หนัก ยิ่งกว่าการขนาดนั้นก็พอใจแบบเหมือนไม่หนักเลยนี่คือความพอใจถ้าความไม่พอใจแล้วถึงสิ่งนี้สิ่งนั้นจะมีคุณค่ามากกว่าตา่างมันก็หนักการประพฤติ ธ, ธรรมนี่เป็นสิ่งที่ฝืนความเคยชินของใจ ที่เคยมีความรู้สึกเต็มไปในฝ่ายต่ำเสมอด้วยอำนาจของสิ่งต่ำสิ่งที่ต่ำหาเดินอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นการลำบากในอันที่จะฝืนสิ่งเหล่านี้พื่ก้าวเดินเขึเ้นสู่ที่สูงจึงต้องได้สอนวิธีการต่างๆกันเป็นลำดับดำดาหาอุบายสอนเช่นพระพุทธเจ้าท่านสอนพระโมคคันลาด้วยสัญญาสิประการ แม้พระโมคคันลาจะสําเร็จพระโสดาปฏิผลเป็นพระริยาบุคคลแลว้วก็ตามแต่กิเลสประเภทต่างๆที่มีอยู่ในหัวใจของพระโมคขันลานั้นมันไม่เป็นโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลกับไข่ๆกิเลสประเภทนั้นนั้นแหละจึงต้องเป็นฆ่าศึกต่อพระโมคคันลาให้เกิดความห่วงเงาเฮานอนรู้สึกเกิดความท้อแท้อ่อนแอในทำขั้นสูงกว่านั้น พระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนอุบายวิธีแก้วความง่วงเหงาห้องนอนด้วยสัญญาสิบประการแต่จะมาอธิบายมากในเรื่องสัญญาสิบประการมีอนิจจสัญญาเป็นต้นจะบอกอย่างเปิดเผยคือที่เข้าใจกันชัดๆก็ให้มองให้มองแง่ดูเดือนดูดาวดูทิศใต้ทิศเหนือไป แล้วจิตได้ส่งออกไปดูอย่างนั้นแล้วความง่แงห้องนอนก็จะค่อยบรรเทาเบาลงไปนี่เป็นต้นธรรมโอคันลาก็ได้อุบายวิธีจากพระพุทธเจ้าบำเพ็ญตนก็ได้สำเร็จพระรหัสตะผลขึ้นมาหลังจากได้รับเท้าวาจากพระพุทธเจ้าแล้วนี่ในเรื่องของกิเลส ไม่ว่าจะอยู่ในบุคคลประเภทใดต้องเป็นกิเลสอยู่ร่ำไปเป็นข้าศึกต่อจิตใจอยู่ร่ำไปท่านจึงสอนให้ละให้แก้ให้ถอดให้ถอนออกโดยลำดับจนกระทั่งไม่มีกิเลสประเภทใดๆอยู่ภ า, ายในจิตใจเลยแล้วจะจึงจะไม่มีสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจ จึงจะไม่มีสิ่งที่ฝืนใจใจจึงเป็นอิสระโดยลำพังตนเองที่เรียกว่าเป็นอิสระในหลับธรรมชาติแท้ด้วยความมรสุทธิที่ชำระสิ่งจมปรมทั้งหลายออกหมดโดยสิ้นเชิงเราแม้จะไม่ได้อย่างนั้นก็าตามการดำเนินคุณงามความดีของเราทุกประเภทก็เป็นไปเพื่อจะ ถึงความเป็นเช่นนั้นเช่นเดียวเรากับเราก้าวขึ้นบันไดจะได้กี่ขั้นก็คือบันไดที่จะกล้าขึ้นสู่ที่สูงนั่นแหละกล้าไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดจุดหมายปลายทางได้ไดในระยะหนึ่งแน่นอนพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทไว้นี้เพราะเห็นคุณค่าของหงวัวใจสัตว์โลก ที่ถูกสิ่งต่ำชามทั้งหลายเหยียบย่าทาลายอยู่ตลอดเวลาทุกพบทุกชักไม่มีความเป็นอิสระภายในตนอยู่ใต้อำนาจของเขาตลอดมาไม่ว่าจะเป็นคนชั้นใดสัตว์ประเภทใดย่อมอยู่ใต้อำนาจแห่งธรรมชาติที่ต่ำนี้ทั้งนั้นธรรมชาติที่ต่ำนี้กลายเป็นของสูงขึ้นมาเพราะอานาจมาก บังคับจิตใจที่ควรจะสูงให้กลายเป็นสิ่งที่ต่ำไปได้นอกจากหลักษาสนาธรรมที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วนี้เป็นเครื่องมือนำเข้าไปปฏิบัติแก้ไขหรือซักฟอกหรือผลักกันออกจากจิตใจนั้นจนจะเกิดความสว่างสวัยหรือเกิดความป่่งใสขึ้นมา ผลสุดท้ายก็กลายเป็นความอิสระโล่งไปหมดเมื่อถึงขั้นอิสระเต็มที่แล้วจะว่าผ่องใสก็พูดไม่ได้อะไรก็พูดไม่ถูกทั้งๆ ท, ที่รู้รู้อยู่นั่นแหละนี่คือจิตที่เหนือโลกเพราะการฝ่าฟื้น สิ่งไม่ดีทั้งหลายหรือว่าเพราะการฝืนสิ่งไม่ดีทั้งหลายการต่อสู้สิ่งไม่ดีทั้งหลายเราเป็นผู้ควรอย่างยิ่งต่อการฝึกการอบรมการห้ามปราบสั่งสอนเราหรือการหักห้ามเราในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรมีเราเท่านั้นเป็นสําคัญที่จะสามารถฝึกฝนอบรมหรือบังคับตนเองได้ในสิ่งที่ไม่ชอบทั้ง ชอบทำเท่าไรและเป็นผู้จะสามารถในการบำเพ็ญตนเป็นไปเพื่อความดีงามอย่างน้อยก็เป็นสุภาพชนสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีความนิ่มนวลด้วยความประพฤติอัธยาศัยที่กลคืนไปกับอัตกับธรรมเป็นผู้มีคุณสมบัติประจำใจ คุณสมบัติอันนี้แหลกเกิดขึ้นมาจากลาบเบื้องต้นคือความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องมือแล้วที่จะสั่งสมคุณงามความดีทั้งหลายจนกลายมาเป็นคุณสมบัติของใจได้ลาบที่สำคัญคือคุณงามความดีนี้เกิดขึ้นมาจากราบเบื้องต้นคือความเป็นมนุษย์นำร่างกายซึ่งเป็นเครื่องควรเป็นเครื่องมือนี้ไปปฏิบัติหน้าที่การงานที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ตน จนเป็นสิริมงคลขึ้นมาภายในจิตใจใจก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าหรือเป็นสิรีมงคลเป็นราบอันสูงส่งขึ้นไปโดยลําดับแม้ที่สุดราบอันสูงสุดได้แก่มรรคผลนิพพานก็ไม่พ้นจากความได้ไปจากราบคือความเป็นมนุษย์นี้เราจรึงหาราบที่ไหนไม่ที่จะให้ยิ่งกว่ารากแห่งความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นเครื่องมืออันนําขัญ น, นี้ไปไม่ได้ เราหาที่ไหนไม่เจอเราต้องเ อ, อาตรงนีน้อะไรดีก็ตามเรายันหนีหลักประกันตัวในความดีอันแน่นอนคือตัวของเราต้องเป็นคนดีพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้ดีพยายามหักห้ามยากก็ตามสิ่งที่อยากนั้นจะเป็นเครื่องแสลงแทนจิตใจเป็นอันตรายแก่ตนไม่ทำนี่เรียกว่าฝืนกัน ต่อสู้กันสิ่งที่จะเป็นผลเป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนดวงตั้งแต่ปัจจุบันถึงอนาคตคือความดีแม้จะมีความที่เกี่ยวก็ต้องซูนกันทำแน่เกิดความเป็นสิริมงคลขึ้นมาภายในจิตใจอยู่ที่ไหนก็เป็นคนดีเป็นสิริมงคล ชีมงคลอันแท้จริงนี้มีอยู่ที่จิตใจของเรามีอยู่ที่ตัวของเราเป็นผู้จะค้นคว้าเป็นผู้จะสั่งสมเป็นผู้จะผลิตขึ้นมาจิงไม่มีอะไรที่จะเหนืออำนาจของมนุษย์ที่จะพึงทำได้มันรวมอยู่ในตัวมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ฉลาดนี้ทั้ง น, นั้นจะเป็นจอมปราดนังพระโพธิจารหรือสาวกทั้งหลายก็ขึ้นอยู่กับมนุษย์ที่พยายามฝึกฝนอ บ, บรมตนไปในแนวทางที่ถูก เราทุกคนล้างความจุความเจริญล้างความเป็นสง่าราศีแก่ตนและวงศ์สกุลจงนํำทำนี้ไปประพฤติปฏิบัติยากกับง่ายเราจะถือมาเป็นอุปสรรคเครื่องดําเนินถือเหตุถือผลที่จะทําตนให้มีความเจริญรุ่งเรืองและเป็นคนดีเป็นหลักหรือเป็นแนวทางดําเนิน เราก็จะเป็นคนดีดเรื่อยดีไปทุกเพศทุกใบดีไปตั้งแต่ต้นจนอาาลสานไม่มีอันใดที่จะเหนือความดีของบุคคลผู้ทําดีไปได้ความดีของบุคคลผู้ทําดีนี้จึงเหนือสิ่งใดๆที่ว่าดีๆในโลกให้นําไปพิิจพิจารณานะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรมีขอยุดปี่เพียงทอง